ต่อเลยนะคะขอเจริญธรรมส่วนดีๆที่น้องผู้รับชมมากทุกท่านค่ะเป็นไงคะยินได้นอนหลับหดีงามง่ว <laughs> งนอนไหมคะช่งวงบ่ายมีใครง่วงนอนบ้างยงังวนขึ้นซิใช่ไหมคะ เออเขเรียกตับมันร้อนนะไข้ง่วงนอนหนละังจากกาทานข้าวเมี่าการแน่นท้องเสริมเข้าไปอีตาเป็นต้อเ น, นื้ตอต้อลมก็ดีระวังนะตับไม่ค่อดีนะอาการร่วงนอนหลังจากกาทานข้าวนะถ้ามีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยนะแน่นท้องหนะ้าอ่อนเคลียตาเป็นต้อเ น, นื้ตอต้อลมนะอย่าไปมัวรักษาโรคกระพาะเยอะเด้อเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะแล้วเป็นไงซื้อข้าวซื้อของอะไรีังคะ เตรียมกลับบ้านหนมีใครยังไม่ซื้อบ้างเนี่ยซื้อของมีระวังถุงตังว่งเด้ออย่าซื้อหมดเนื้อหมดตัวสูตร้วม้มีตังสงการลถนะเออเจะจัดค่ายบางที่เนี่ยซื้อของจนหมดเนื้อหมดตัวไปยืมตัวหมอไปเป็นตัวประกันเอาของออกนะไม่ได้ต <laughs> แต่ของที่นี่ใช้ทีค่ะ นะน้ำมันเขียวเนี่ยตัวเองพิพบตบิดตัวเป็นประจำเลยนะคะนะเอาเป็นยาสามัญประจําบ้านใช้ได้ดีมากเลยแก้การท้องหรือเมารถเมาเรือวิเวียนศีรษะนะบวกแน่นนะอกหายใจไม่ออกเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยนะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นนานนะเวลาคัดจมูกเสเลดเยิ้ๆอย่เ ง, งี้ยหยดจมูกนะคะแล้วก็สูตดเข้าสักสองสาครั้งเนี่ยเสเลดมันจะกรองออกมาเลยนะคะนะวันนี้กับพรุ่งนี้ วันที่เนื้อหาเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จะมีภารกิจอยู่ที่พักก็ก็เรียนเชิญนะคะหรือว่าถ้าท่านได้ยินเสียงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะนะทีนี้นีท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเรามาเรียนแพทยวิถีพูดกันเนี่ยเป้าหมายจริง ก, ก็คือเขาจะสร้างเสารเรื่องนี้แหละให้มันสมดุลกันนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของพลังนะคะพลังร้อนพลังเย็นเนี่ยต้องสมดุลกันนะ อันที่สองก็คือในเรื่องของจิตนะจิตนี้ก็ต้องสมดุล น, นะเพราะจุดสมดุลคือจุดรักษาโรคจิตที่เป็นกลางจิตที่ไม่ดีจนเกินไปและไม่แย่จนเกินไปจะเป็นจิตที่เหมาะที่จะรักษาโรคได้ดีนะคะและอีกอันหนึ่งที่ควรจะสมดุลก็คือโครงร่างของร่างกายนี่แหละพกเส้นลมกลางนะต้องสมดุลกันกระดูกไม่บิดไม่เบี้ยวนะ วันนี้จะสอนวิธีตรวจสอบโครงร่างของร่างกายว่าถ้าคนไหนมันบิดเบี้ยวตรงไหนแล้วมันจะเป็นอะไรนะคะนันอันแรกที่เราจะต้องพิจรารณาหน้าที่หลักของพวกเราเนี่ยที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นคือความสมดุลในเรื่องของพลังร้อนเย็นนันเราทำสามเรื่องนี้ให้มันได้หน้าที่ที่จะไปทําให้โรคหายนี่เป็นหน้าที่ของร่างกายเราไม่ต้องไปตามบี้มันหรอไปตามบี้ว่าโลก เราแค่สามเรื่องเนี่ยให้มันสมดุลกันบาลาน่ะไม่ให้สูงไม่ให้ต่ำจนเกินไปไม่ให้ตรงนะไม่ให้หย่อนจนเกินไปเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะบางคนนี่เริ่มจะมาวิชานะยิ่งคุณหมอเกี่ยววิเคราะห์โรคแบบเมาไปใหญ่เลยไม่รู้อะไรกับหัวกับหางนะเพราะฉนั้นตั้งหลักให้ดีๆจัดสามเรื่องเนี่ยให้มันสมดุลกันก็คือจบไปแล้ว หน้าที่ต่อไปเป็นหน้าที่ของร่างกายเขาจะจัดการเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วในเรื่องของการจัดพลังงานความร้อนเย็นเนี่ยเขาจัดอย่างไรที่จะให้สมดุล น, นะอันดับแรกที่เราจะต้องรู้คือเราต้องเช็คสภาวะร่างกายของเราก่อนว่าอยู่ในภาวะร้อนหรือภาวะเย็นนะคุณหมอเขียวยังไม่ได้บรรยายในเรื่องของอาการร้อนอาการเย็นนะ <Okay. S 1> มีคละแต่โรคว่าโรคไหนเป็นโรคร้อนโรคเย็นนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า อาการร้อนอาการเย็นมันมีอย่างไรนะอันดับแรกที่เราจะเรียนก็คือภาวะร้อนเกินในแพทย์วิถีภูมิเนี่ยเขาจะแบ่งโรคออกเป็นสามโรคนะคะโรคแรกคือโรคที่ร่างกายเกิดภาวะร้อนเกินนะโรคที่สองคือเย็นเกินโรคที่สามคือทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ด้วยกันนะั่นแหละนะทีนี้เนี่ยเราจะดูได้ไงว่าภาวะร้อนเกิน อาการเป็นอย่างไรนะหน้าตาของคนที่มีภาวะร้อนเกินเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนที่มีภาวะร้อนเกินหน้าตามจะทะมึงอะทะมึงตึงนิเหมือนดูดูอะ่ะ แ, แต่แต่ก็ไม่ใช่นะอันนั้นคือความร้อนในตัวเขามันเยอะหน้าตาจะออกแดงๆนะพลังชีวิตค่อนข้างจะแบบมันเยอะไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่ดีนะ เ, เยอะมากเนี่ยนะหน้าจะทะมึงตึงแดงๆตาก็จะออกโนๆเงีย้ย หน้าผิวหนังก็จะแดงๆอย่างนะี้นะอันนี้คือดูหน้าบอกโรคดูดูภาวะใบหน้าทั่วไปนะแล้วก็อาการอาการที่เจอมีอะไรบ้างหน้าแดงนะตาแห้งนะเป็นถ้ามีขี้ตาที่ตาก็จะเหนียวเหนียวข้นๆนะหรือบางครั้งตาแห้งมันจะไม่มีขี้ตานะคนไข้จะบอกว่าแสบตานะแล้วก็เป็นสิวเป็นฝ้านะคะ เป็นแผลในช่องปากด้านล่างนะคะปากคอแห้งนะหรือว่าพวกปากเนี่ยมันจะแตกเลยริมพี่ปากเนี้ยจะแตกแล้วไม่ไหม่นะพวกเราต้องเช็คตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป็นภาวะร้อนหรือเย็นถ้าเราเราเช็คตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะไปหาสมุนไพรร้อนสมุนไพรเย็นมาใช้กับตัวเองไม่ถูกการรักษาโรคมันจะไม่หายนะคะนะ รูขุมขนนี่ขยายนะไม่ได้หดนะผมหอบโดยเฉพาะผมหอบก่อนไวัเนี่ยไม่ใช่เป็นกรรมพันธนะบ่งบอกถึงภาวะร่างกายนี่ร้อนจัดนะคะนะแล้วก็มีไข้ขึ้นนะปวดหัวกนอกจากการปวดหัวหรือปวดีศีรษะเนี่ยมันเหมือนจะแล้วเปิดออกอะ<ว>่ะ<ๆ>มันจะไม่เหมือนปวดหัวเย็นนะปวดหัวเย็นมันจะออกกึก๊กตู้เย็นๆอ่ะ แต่ถ้าปวดหัวที่มีภาวะร้อนเกินเนี่ยมันจะเหมือนจะระเบิดออกจากกันเลย <Okay. S 1> เราจะรู้ว่าเองนะคนไข้หรือคนญาติพี่น้องเราจะบอกว่ามันปวดเหมือนจะระเบิดเลยอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะนะ <Okay. S 1> ตัวร้อนนะ <Okay. S 1> หลายๆท่านที่มาเข้าค่ายเนี่ยจะบอกเลยว่าตัวร้อนนะ <Okay. S 1> อาการตัวร้อนเป็นยังไง <Okay. S 1> ก็คือภาวะร้อนเกินนั่นแหละไปจับดู <Okay. S 1> และตัวคนไข้จะบอกเราด้วยว่ามันร้อนมันไม่สบายนะ ตัวหายใจนี่ก็จะร้อนนะแม้กระทั่งไอควันที่ออกจากปากเราเนี่ยบางทีมันจะร้อนนะ <S 2> <S 2> <ๆ>เวลาเอามืออังปากเนี่ยเป่าเป่าทานมาถึงมือเนี่ยมันก็จะร้อนๆอ่ะนะอันนี้คือภาวะร้อนจากนะคะแล้วก็ออกร้อนตามตัวนะผู้หญิงวัยทองเนี้ยถ้ารักษาโดยการถอดรหารร้อนออกไปเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปกินฮอร์โมนนะจะเลือกขยายนะ หรือเป็นพวกเสเลือกคอร์ดนี่ก็ได้นะปวดบวมแดงร้อนตามข้อนะข้ออักเสบนะร่างกายกล้ามเนื้อนี่มันเกร็งนะเกร็งค้างหลายๆคนมาที่นี่เนี่ยมือจะหงิกเลยนะกำมือก็ไม่ลงจับอะไรก็เหมือนจะหุดอยู่ เ, เรื่อยพอเอาพลังเย็นเข้าไปพวกนี้มันหายแต่คุณหมอแผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ให้เราไปผ่า ต, าตัดน่ะคิดว่า ทั้งดมันยืดอะเอ็นมันยึดข้อมืออะจริงๆแล้วเนี่ยถอดความร้อนออกได้คนไข้ก็ไม่ทํางานได้ปกตินั่นแหละ mm hmm. เป็นภาวะร้อนจัดนะพวกที่แขนขาเกรงเดินไปเนี่ยทือท่อๆเนะเหมือนผีติดเนี่ยก็เป็นภาวะร้อนเกินนะคะแล้วก็ผิวหนังเป็นจํานะพายย้ําบอกเขาเรียกแถวม้านอกแถวว่ า, านหมอกกเขาเรียกผีดูด น, <c oughs> นะอันนี้เขาเกิดภาวะร้อนเกินตกปลา เราจะพะกล้าดำนะบางคนบอกอุวแก่แก่ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนแก่เขาไม่เป็นนะเออคนไห น, นที่มีภาวะตกกละเนี่ยเราจะพกกล้าดำระวังดีๆนะอุจาระแข็งเป็นขี้แพ้นะท้องผูกท้องผูก ท, ท้องอืดปัสสาวะน้อยมีสีเข้มลุกปัสสาวะตอนเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะผิวหนังมีผื่นเป็นเปื้นนะงูสวัสด์เริ่มนะ งูสวัสด์เริ่มเนี่ยโดยเฉพาะงูสวัสด์เนี่ยรักษาไม่ถูกเป็นตายพาลงปลาเลยนะเพราะการรักษามันต่างกัน คนท e, like like so well. ี่มีภาวะงูสวัดเนี่ยคือพาวะร้อนจากทําให้ภูมิต้านทานนิตกนะตัวเองเห็นคนไข้คนหนึ่งอ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลห้าวันนะเขาไปขอยาจากโรงพยาบาลจังหวัดมาใช้เขาเรียกอสไพรินโคเวียเนี่ยมันเป็นแค่ระงับอาการไม่ให้รุนแรงแต่ว่าพิษขั้งในไม่ได้ถูกล้างออกอ่ะคนไข้เสียชีวิตเลยแต่ทั้งงูสวัดรักษาแบบเรานี่มันง่ายมากนะถอนพิษร้อนให้อาหารที่มีริเจนนะ เอาสเตดทท้องคอนตัวเมียไปคุกโค่งเงี้ยมาทานเงี้ยนะมันก็หายเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยรักษาไม่ถูกเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะเพราะมันร้อนจัดนะคะเป็นเริ่มนะเป็นหวัดบ่อยมีเลือดกำเดาออกห่วงนอนหลังจากกินข้าวนะยกแขนไม่สุดเงี้ยกล้ามเนื้อมันเก่็งค้างนะคนไหนที่ยกแขนไม่สุดอะไรเงี้ยคือเพราะว่าร้อนจัด แต่ถ้าไปหาคุณหมอแผนวันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะส่ใหญ่ก็คิดว่าจะปวดกล้ามเนื้อเฉยๆแหละให้ยากแก้ปวดบางทีมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าไม่ถอนความร้อนออกเล็บขุดเล็บสั้นๆอนะ่ะบางทีมันร้อนมาก ม, ากมันจับหดเข้าไปในผิวหนังอนะ่ะมคนแก่ดูคนในเล็บขุดเล็บมันเริ่มสั้นอนะ่ะเนาะเป็นเพราะว่าร้อนจัดนะหน้ามืดเป็นลมนะเป็นชักตัวร้อนร้อนแต่เหงื่อไม่ออกนะ ปวดศีรษะเหมือนเข็มแทงเจ็บปลายลิ้นลิ้นแดงนะคะเจ็บคอเสียงแหกนะคะเป็นตะคิวสะอึกนะคะแล้วก็ทิวไปกินมากนะกินเยอะๆแต่ไม่ อ, อ้วนเนี่ยคือพวกร้อนจัดนะคะแล้วก็ปวดท้องนะท้องไม่จะร้อนนะคะส้นเท้าแตกนะบางคนนึกว่าตัวเองเนี่ยไปเดินมาก ที่แท้คือมันร้อนนะตัวเองร้อนถอนที่ร้อนมีเดี ย, ยาการพวกนี้มันจะหายไปโรคที่เกิดจากภาวะร้อนมีอะไรบ้างละ่ะโรคหัวใจไทรอยเป็นพิษนะเหมือนคุณหมอเขียวเล่าเมื่อเวานนี้แหละนะพวกมะเร็งทั้งหลายนี่แหละนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จักภาวะร้อนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาสมุนไพรรีบร้อนอย่างไรเพื่อจัดสมดุลพลังงานให้สมดุล น, นะก่อนที่จะไปถึงภาว ให้ถูกอะเรามารู้จักโรคอีกตัวหนึ่งของแค่วิถีพุทธนะอันนี้นี่เป็นโรคตัวอย่างโรคต่างๆที่เกิดจากภาวะร้อนนะคะในยุค ป, ปัจจุบันนี่เกิด 80% นะคะนะพวกมะเร็งพวกกับพ อ, อาหารอักเสบไทรอยเรือแง่อกมะลูกโตตกขาวลิสิดวงทวารกล่องเสียงอักเสบตับอักเสบนะคะไซนัสอักเสบ พ, พวกนี้แหละนะแย่ๆเลยนะ แม้กระทางพกไตาวายพวกเนี้ยในใจถุงน้ําดีเนี่ยในถุงน้ําดีเรียกระเพาะปัสสาวะไส้เลือด น, นะเป็นภาวะร้อนจัดต่อลูกหมากโตโลกเก้าต์ความดันโลหิตสูงเบาหวานภูม mm ิแพ้นะเป็นโรคที่เกิดจากภาวะร้อนจัดนะหอบหลุดสเรศเนียวข้นๆเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยอาการร้อนเกินนี่เจอมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะทีนี้ภาวะเย็นเกินละ่ะมียังไงมือเท้าจะเย็นนะ ปวดข้อนะข้อติดนะหน้ามืดบิเบียนศีรษะปวดจีรษะแบบมึนๆถ้าเป็นภาวะร้อนเกินมันจะปวดเหมือนหัวจะระเบิดแต่ถ้าภาวะเย็นเกินมันจะมึนๆการกินน้ํำยนานางก็ต้องแตกต่างกันถ้าเกิดภาวะร้อนเกินต้องกินแบบหนึง่งถ้าเป็นภาวะเย็นเกินก็ต้องกินแบบหนึง่งนะ พอนั้นเนี่ยเราต้องมารู้โรค ก, ก่อนนะคะสมองซื๊อๆขี้เกียจวิเฉยชาไม่มีแรงนะคะของอืดมันจะต่างกับอืดร้อนถ้าอืดร้อนเนี่ยไปจับดูท้องมันมันก็จะร้อนๆนะถ้าอืดเย็นมันก็จะอืดเฉยไม่ค่อยร้อนมือเท้าจะเย็นไปด้วยนะแล้วก็มีท้องเสียนะถ้าเป็นภาวะร้อนเกินส่วนใหญ่ท้องจะปูกถ่ายมันขี้แท่นะคะ อภาวะเย็นเกินปัสสาวะจะมากภาวะร้อนเกินปัสสาวะจะน้อยจะข้นนะคะต้องแยกให้ได้เป็นเชื้อราเป็นหวัดน้ำมูกนะน้ำมูกจะใสใสแต่ถ้าเป็นภาวะร้อนเกินน้ำมูกจะเหนียวข้นรูจมูกมันจะแสบตลอดเวลาเลยมันจะแดงแดงภายในโพรงจมูกเนี่ยส่องดูมันจะแดงแดงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําร์โบไฮเดรตต้องต่างกันนะ ไม่ใช่แมมมาเข้าค่ายมอกเขียวเราต้องกินน้ำคอเลอีนกินในแนวเดียวกันหมดไม่ใช่นะแม้กระทั่งการเลือกตัวยาที่จะไปทาผิวหนังก่อนที่จะทาครัวซ่าก็ต้องแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นต้องแยกโรคให้เป็นก่อนนะคะโรคที่สามคือภาะร้อนเกินและเย็นเกินอยู่ด้วยกันนี่ต้องอาศัยเซียน ต้องเสียญจริงๆส่วนใหญ่คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงส่วนใหญ่คือต้องอ่านตำราแล้วอ่านตำราอีกมันจะมีสองสภาวะอยู่ร่วมกันเช่นไข้หนาวสั่นนะไข้คือภาวะร้อนนะหนาวสั่นคือภาวะเย็นการรักษาต้องแตกต่างกันกับภาวะร้อนและภาวะเย็นนะคะมันต้องมีเหลี่ยมมีมุมเดี๋ยวมีเหลี่ยมมีมุมยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะปวดศิรษะจะมือเท้าเย็น นะอย่างหัวร้อนเท้าเย็นเนี้ยคือภาวะร้อนเกินและเย็นเกินแทรกอยู่ในตัวคนคนเดียวนะคะมีไข้หน้าซีดมือเย็นอย่างนี้ด้วยนะคะหรือบางคนท้องอืด น, นะปวดท้องท้องอืดแต่หนาวนะคะตัวเองเคยเจอคนไข้มีสองสภาวะนี้ด้วยกันตอนนั้นนี่เล็งอย่างเดียวเลยนึกว่าคนไข้ามาเร็งเนี่ยเกิดภาวะร้อนนะแต่แก้คนไข้สะบ้านเลยนะ คนไข้เขาเป็นมะเร็งตับเขาไปทานเห็ดมาปวดท้องมากแต่แต่ตัวเย็นอ่ะเราเร็งไปอย่างเดียวเลยขวดซาขวดซาแล้วเราไปใช้ยาหมองเย็นอะเราไม่ได้เลือกที่อะจริงๆแล้ววิธีรักษาคือถ้าขวดาท้องเนี่ยท้องครอนต้องใช้ยาหมองเย็นส่วนที่มันเย็นคือตายมือปลายเท้ามันต้องใช้โลชั่นตัวเองเล่นทาละเลงทั้งทั้งตัวเป็นไอ้ยาหมอง คนไข่หนาวสะบ้นมากเลยต้องมาแก้ภาวะเย็นอีกนะเพราะนั้นเนี่ยการแก้ภาวะร้อนภาวะเย็นเนี่ยคนที่จะเก่งจริงคือหมั่นเรียนรู้บ่อยๆนะหรือบางคนหรืออย่างคนไข้คนนี้ก็เหมือนกันพอเขาปวดท้องมากๆตัวเองก็เลือกอย่างเดียวว่ามะเล็งต้องร้อนแหมรีบเอาน้ำเย็นนางนะบอกใหญาติเ้าเนี่ยคันน้ำเย็นางใส่น้ำมะพร้าวสดอ่ะแล้วทีนี้เขาทานไม่หมดอ่ะเก็บใส่ตู้เย็นอ่ะพอเขาปวดท้องวอีก เก็บน้ํมามะพ้าวสดกับแ ย, ยะนาที่อยู่ในตู้เย็นออกไม่คนไข้กินเลยจุกนั่นเลยคนไข้ไม่สบายเพราะมันเย็นมากเย็นมากมันมา ก, กระแทกร้อนที่มีภาวะเย็นอยู่ในตัวคนไข้ยแย่ลงแย่ลด แ, แย่ลงเลยนะเราบู อ, อุตส่าย์มันเร็วมากเหมือนคนไข้จะช็อกนะหมดแรงไปเลยนะเพราะฉะนั้นการให้ยาคำว่าให้ยาคือให้อาหารแล้วก็พวกไข้น้ำคอเโรฟินเนี่ยมันต้องมีเหลี่ยมมีมุ ม, มนะ ทิ้งปล่อยให้ท่านได้เรียนรู้ภายในคไขยให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่เราดูดูดูดเป็นมะเร็งกินน้ำยานางอย่างเดียวไม่ใช่นะมันจะมีอะไรสลับซับซ้อนนะคะเจอเจอคนไข้ามาเยอะประเภทร้อนตีกับเป็นเย็นเย็นและตีกับเป็นร้อนหรือสองสภาวะนี้อยู่ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราแยกโรคได้แล้วนะวันนี้คุณหมอเขียวเอาก็จะสอนนะคะว่า อาหารร้อนอาหารเย็นเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนไข้มีภาวะร้อนเกินเราต้องทําอาหารให้มีริดเย็นคาว่าริดเยน็นนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเย็นร้อนจากการใส่ไฟไม่ใส่ไฟอย่างเดียวนะคะเหตุปจัจจัยออื่นด้ว ย, ยเรื่องของการปรุงด้วยถ้าคนไข้มีภาวะร้อนเกินนะทีนี้เราจะให้อาหารแบบไหนกับคนไข่หรือตัวเราเราก็ต้องไปเลือกสมุนไพรที่มีริดเย็น นะผลไม้ต้องวิดเจน็นนะถั่วต้องวิดเจน็นนะการปรุงแต่งก็ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเพราะมันจะเกิดสภาพวอรนอนแต่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอเขียวจะต่อ น, นะคะนะตัวเองนี่จะมาบอกเล่าถึงอาการร้อนเกินและเย็นเกินและเทคนิคบางอย่างนะคะนะหรือแม้กระทั่งการครัวซานะถ้าเกิดภาวะร้อนเกินง่ายมากนะ แค่เอาน้ำมันเขียวเอาน้ำมันเขียนเขียวไปละลายนะ้ำหนึ่งถึงสองหยดต่อนะ้ำแก้วหนึ่งมาฉลมงคนไข้และกระทะจะได้เลยแต่ถ้ามีภาวะเย็นเกินห้ามใช้น้ำมันเขียวหรือถ้าจะใช้ต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันจะเย็นเข้าไปในกระดูกเลยแล้วคนไข้เนี่ยจะกำลังตกนะถ้าเกิดภาวะเย็นเกินเราควรจะใช้ตัวไหนหนึ่งควรจะเป็นพวกน้ำมันนะน้ำมันเฉยๆน้ำมันพืชอ่ะ แต่ไม่ใช่น้ํามันเพื่อที่เอาไปทอดเนื้อทอดไก่อะไรนะนะน้ํามันเพื่อที่เรายังไม่ใช่ะะชว่ะมาฉโลมผิวบริเวณที่เราจะควรสาหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้ยามองร้อนที่มีสมุนไพรได้ร้อนขึ้นมานะคะนะ้ำต้องรู้จักเลือกหรือแม้กระทั่งการดืนะ่มน้ำโคลออฟีนถ้ามีภาวะเย็นเกินนะท่านอาจจะต้องเอาน้ำโคลออฟีนไปผ่านไฟนะ ถ้าเกิดเอายกออกยิ่งยกออกมาจากตู้เย็นให้กินเนี่ยน็อกเลยนะตัวเองขินมาตับตาเลยคนไข้นี่กาลังตกที่ประจอนี้ช้าช้าช้าลงเลยน้ำน้ำเนีน่ยนาง น, น, น, นี่เร็วมากเลยนะเพราะาดื่มเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เซลล์ได้เลยเพราะมันเป็นอะไรที่ผ่านกนารขี้มาแหละนะเหมือนกับมันพร้อมที่จะดูดซึมไปในร่างกายได้นะอย่างไออย่างตัวอย่างคนไขยที่เป็นมาริงอ่ะเอาน้ํา คาราฟีนผสมน้ำมะพร้าวแล้วแช่ในตู้เย็นเอาไว้คนไข้กินเลยแทบช็อบเลยนะ้ำต้องระวังนะไม่ใช่เล่นๆนะายนานเนี่ยนะขนาดให้กินอยู่ในโรงพยาบาลน้ำตาลมันยังลงเลยนะลงเยอะจนหมอเขากังวลอ่ะนะนะเพราะฉะนัน้นการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องเนี่ย ให้ดูภาวะของคนไข้เป็นหลักถ้ามีภาวะร้อนเกินแก้แบบหนึง่งภาวะเย็นเกินแก้แบบหนึง่งภาวะร้อนและภาวะเย็นอยู่ด้วยกันต้องแก้อีกแบบหนึ่งนะคะแม้กระทั่งการแช่มือแช่เท้านะก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะแต่เทคนิคจะคล้ายๆกันแต่ในการเลือกสมุนไพรต้องแตกต่างกันไปอีกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเหลียนมนิมมทีนี้นี่ เมื่อเราแยกโรคได้แล้วนะรู้วิธีการรักษาแล้วนะอันนี้จะเป็นการจัดสมดุลในเรื่องของพลังงานนะร้อนเย็นต้องให้สมดุลถ้าพวกเราจัดพลังงานในร่างกายได้สมดุลมันจะเกิดปฏิหารในการรักษาโรคเลยนะนะถ้าร้อนเย็นสมดุลเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าโรคนั้นโรคนี้จะไม่หายส่วนใหญ่ร่างกายเขาเมื่ออยู่ในภาวะสมดุลเขาจะจัดการของเขาเอง มันเป็นความอัตโนมัติในร่างกายที่เขาจะต้องจัดการตัวเองนะคะนะอีกันหนึ่งนะที่เราจะต้องจัดสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวเราคือในเรื่องของจิตใจนะคะนะเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะโดยเฉพาะชาวพุทธอยู่พี่น้องที่อยู่ทางโลกตะวันออกเนี่ยคือส่วนของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าชั้นจะตัดไว้เสมอว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างนะ คิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วจิตทำไมถึงมหัสรรย์อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะมาอยู่ในค่ายปฏิบัติยาเก้าเม็ดนะมันมีเจ็ดเม็ดแรกแต่สองเม็ดสุดท้ายเนี่ยเม็ดจิ่แปดกับเม็ดิตเก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตใจต่อให้คุณทำยาหนึ่งเม็ดถึงเจ็ดเม็ดได้ครบนะจะิตใจคุณวางไม่ได้ มันไม่ค่อยสำเร็คือมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรอกมันจะเหมือนมันติดอยู่อ่ะมันมันมันไม่ค่อยที่จะจะหาจากโรคนะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องสําคัญนะจิตสําคัญยังไงเรามาดูกันนะคะตั้งแต่พวกเราเกิดมาเลยนะทําไมจิตถึงเป็นนายกายถึงเป็นบ้านนะคะตั้งแต่กําเนิดมนุษย์มาเนี่ยตั้งแต่พวกเราเกิดมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นเรื่อง มาทำนะเป็นเรื่องของพลังนะจิตตัวนี้นี่ไม่มีการสูญหายนะแต่จะสูญหายได้ก็ต่อเมื่อมีการสลายโดยการล้างกิเลสนะมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่จะล้างทำให้จิตตัวนี้มันหายไปได้วิธีเดียวที่ใช้ก็คือการล้างกิเลสตามหลักคาสอนพุทเจ้าแหละเอาอะไรไปยิงมันมันก็ไม่สลายนะคะ ถ้าย่งเดียวคือ้างกิเลสถ้าล้างกิเลสหมดก็คือจบก็คือนิพพานเลยเลยนะแต่มันเป็นเรื่องยากนะคะถ้าเป็นพอมันเป็นเรื่องยากแล้วมันก็เลยทาให้มนุษย์เนี่ยเรียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจิตของมนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกนะจิตสํานึกเนี่ยตัวที่ควบคุมจิตจิตสํานึกคือสมองนะ ตัวที่ตัวควบคุมจิตใต้สํานึกก็คือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราทําซ้ํำๆนั่นแหละหรือเขาเรียกว่ากรรมนั่นแหละนะถ้าเราเนี่ยตายไปนะคะจิตสํานึกมันก็จะตายไปพร้อมกับสมองที่ถูกทําลายนั่นแหละแต่ตัวที่จะเหลือเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยนะมันจะเหลืออย่างไรแล้วมันจะไปหาร่างอย่างไรนะคะนะจิตของมนุษย์มันมีสองอันนี้นะ พูดถึงจิตนี่นะจิตจำเนื้อตัวนี้เนี่ยสมองจะเป็นตัวบังคับถ้าคนนี้ตายไปปับ๊บตัวนี้จะหายไปแหละแต่ตัวนี้หายไปแต่ตัวนี้จะเหลือแล้วตัวนี้เหลือแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่มันจะเป็นจิตที่เราทําอะไรก็ตามซ้ําๆซ้ำๆอะ่ะทํำบ่อยๆอย่อะมันจะเกิดเป็นจิตตัวนี้สมมุติว่าพวกเราเนี่ยชาตินี้ะนะไม่ฝึกรับประทานอาหารสุขภาพเนะี่ย ก็ยังกินเนื้อนมไขอยู่อ่ะจิตตัวนี้เขาจะจําข้อมูลเลยว่าเออเราเป็นคนชอบเนื้อนมไขมันเหมือนกับว่าทําให้เราีคุ้นเคยกับการจะทําแบบนั้นบ่อยๆ อ, อะคะ่ะตอนนี้นี้เขาก็จะเก็บข้อมูลไว้เลยว่าถ้าเห็นเนื้อนมไขเมื่อะไหร่เนี่ยฉันเป็นต้องกินอ่ะมันอยากกินโดยอัต โ, โนมัตินะ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึก นะถ้เาเราไม่ฝึกล้างจิตตัวนี้ให้เลิกทานเนื้อลงไข่ทั้งที่เรารู้ว่าเนื้อลงไข่เนีมันทําให้เกิดมะเร็งหรือการทําพฤติกรรมอะไรซ้ําๆที่มันทําให้เกิดภาวะเครียดเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งเราไม่ได้ล้างหรือทําลายจิตตัวนี้โดยการสร้างจิตตัวใหม่ขึ้นมาคือให้หันมาแลกประทานอาหารสุขภาพเนี่ยเมื่อเราตายไปจิตตัวนี้มันจะตามไปอีกนะมันจะตามท่านไปอีก เพราะว่ามันไม่มีการสลายถ้าท่านไม่ได้ล้างกิเลสอ่ะสมมติชาตินี้ท่านชอบทํานเนื้อสัตว์เป็นคนเครียดแล้วทาให้ท่านเป็นมะเร็งท่านตายไปชท่านก็จะเป็นมะเร็งอีกเพราะว่าจิตตัวนี้มันจะเป็นจิตเดิมมันจะตามท่านไปอีกนะเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งอีกท่านพยายามล้างจิตตัวนี้ตั้งแต่ชาตินี้แล้วจิตตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันจะสอดคล้องกับการไปหาร่างใหม่นะมันเป็นคลื่นเดียวกัน สมมติว่าจิตตัวนี้ของเราเป็นคนอ่อนแอนะเป็นคนที่ไม่ช่วยเหลือตัวเองเห็นอะไรก็กินด่เลยจะทําให้เป็นมะเร็งพอตายไปปุ๊บจิตที่อ่อนแอจิตที่พึ่งคนอื่นเนี่ยเขาจะไปจูนหาร่างที่มันคล้ายๆกันร่างที่มีสภาวะอ่อนแอคล้ายๆกับจิตตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดก็ตามที่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติรกรรมตัวเองเนี่ยชาติหน้าจะได้ร่างเป็นคนอ่อนแอ เพราะมันเป็นมันจะเหมือนเหมือนคลื่นน่ะมันคลื่นวิทยุเนี่ยเขาจะส่งไปหาวิทยุเนี่ยคลื่นมันต้องใกล้ๆกล้กันมันถึงจะรับข้อมูลได้ตัวจิตใต้สำนึกนี่ก็เหมือนกันเขาจะต้องไปหาร่างกายที่มีคลื่นไปใกล้กันเขาเรียกว่าไปเกิด่ไปเกิดในร่างที่คล้ายๆกันนะทีนี้เนี่ยพอมาถึงชาตินี้ท่านรู้แล้วว่าเอะที่ท่านเป็นมะเร็งเนี่ยมันเพราะอะไรนะยิ่งมาเรียนชาตวิถีพุทเนี่ยรู้เลยว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดผิด นะเป็นคนเครียดง่ายหรือเป็นคนที่ดีเกินไปดีกันไปนี่เราเป็นมะเร็งน ะ, ะเอาให้เก่ใจคนนะเพราะตัวเองเห็นคนไข้มะเร็งคนหนึ่งเป็นครูดีแบบเพอร์เฟกมากนะเป็นคนที่สมบูรณ์นะเสื้อผ้านี่วางเป็นระเบียบมากอะไรเปลี่ยนคิดเป็นทางแกจะรู้หมดเลยอะไรผิดนิดผิดหน่อยแค่จะรู้หมดเล ย, ย, เ, ลยเป็นคนไวไวต่อสิ่งเราแต่วไวในเรื่องที่ดี ความชี้แก่ดีมากเละมันทําให้เกิดภาวะเครียดก็เลยเป็นมะเร็งลำไส้และผมอ น, นไทยคนนี้ก็เสียชีวิตทำไมตัเอง ถ, งถึงถึงรู้ข้อมูลตัวนี้จะไปถามเขากา็ดูแลสุขภาพดีแนละเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องอาหารดีกินอาหารระมัดระวังแต่ระมัดระวังมากจนเกินไปดีจนเกินไปมะเรงวันนี้ไม่ให้ตอมอะไรประมาณเนี้ยล้างแล้วล้างอีกอะไรประมาณเนี้ยคือมันดีแต่มันเกิดความเครียดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไปทําพฤติกรรมอย่างอื่นขึ้นมาอีกไปทำซ้ำซ้ำซ้ำๆไปอีกนะชาติหน้าท่านก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตตรงนี้มันไม่ถูกหลังถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยได้โรคเรื้อรังเหมือนชาตินี้ท่านต้องปรับจิตวิญญาณใหม่เหมือนที่เอาที่จัดค่ายตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านนะี่ยได้เรียนรู้ให้ท่านช่วยตัวเองให้มาก หมอจะไม่ค่อยก็ไปช่วยเพราะอยากให้ท่านนี่เป็นคนที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจชาติหน้าท่านจะได้ร่างที่มันสมบูรณ์กว่านี้แต่ตอนนี้ท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะ่ะจะหมายถึงว่าให้มันดียิ่งขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยค่ายของเราก็จะเป็นรูปแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าบางทีไม่ดูดำดูดายนะดูดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจผู้เข้ารับ ก, การอบรม แต่พวกเราอยากให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาถ้าท่านจิตใจอ่อนแอเมื่อไหร่แล้วท่านทิ้งตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วตอนที่ท่านจะตายท่านยิ่งจะอ่อนแอลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนที่กายมันจะแยกออกจากกันดินน้ำลมไฟจะแยกออกจากกันเนี่ยมันจะเหมือนอะไรมาฉีกเนื้อออกนะฉีกเนื้อออกทีละชิ้ละชิ้นตอนนั้นจิตวิญ ญ, ญาณของเราจะอ่อนแอลงมากไปเรื่อยๆ จิตที่ปรากฏตอนที่ดินน้ำลงไฟจะแยกออกจากกันมันมมีผลต่อการได้ร่างใหม่เช่นกันเหมือนกับว่าเข้าไปตีซ้ำใหจิตตัวนี้เนี่ยรับข้อมูลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดิมเราก็เป็นคนอ่อนแออยู่แล้วพอจะตายร่างกายมันจะแยกออกจากกันมันยิ่งทาให้ท่านอ่อนแอมากขึ้นท่านก็จะอ่อนแอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทําไมพระเจ้าถึงตรัสไว้ว่าอัตตาหีอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนที่ฝุดดีแล้วคือที่พึ่งอันประเสิดทำไมท่านจึงจับเพราะมันจะเกี่ยวในเรื่องของการได้ไปเกิดอิกด้วยนะคะนะเพราะนั้นนี่ลองฝุดดูนะคะฝุดช่วยตัวเองให้มากทีนี้นี่ในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะมันมีผลอย่างไรต่อการเกิดโรคต่างๆในร่างกายของเรานะคะมีนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองมานะคะเขาบอกว่าจิตเนี่ย มีผลต่อสารต่างๆในร่างกายของเราแม้กระ ท, ทั่งเม็ดเลือดขาวคาว่าสารต่างๆในร่างกายของเราก็คือพวกฮอร์โมนพวกเอนไซม์เนี่ยนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทํางานได้เนี่ยเขาเคยทดลองนะคะว่าเวลามีดบาดเนี่ยเวลามีดบาดนิ้วมือเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะวิ่งมาที่ที่บริเวณที่มีดบาดเลยนะคะตรงแผลเนี้ยนะคะเขาจะมากินเชื้อโรคหรือว่าเขาจะมา เหมือนเป็นภูมิคุ้งกันให้ร่างกายเราอะนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อนี่มันติดกันนะคะโดยธรรมชาติคนจะเป็นแบบนั้นถ้าถ้าเกิดแผลเมื่อไหร่เนี่ยมดกระาวมันจะวิ่งมาออกันตรงบริเวณแผลเลยนะคะทีนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งเขาทดลองให้คนคนนึงเนี่ยสร้างจิตขึ้นมาเลยให้เหมือนของจริงเลยว่าตัวเองีกำลังถูกมีดบาด ทำความรู้สึกให้เหมือนกับว่ากําลังถูกมีดบาดจริงๆแล้วเขาก็เอาหลอดทดลองนะคะที่มีเม็ดเลือดขาวนี่อยู่เต็มเลยมาวางใกล้ๆตรงตรงคนคนนี้อยู่นะคะนะแล้วเขาทำความรู้สึกลงไปเลยว่ามีดบาดนิ้วชี้ของเขาแล้วเขาก็เอาหลอดทดลองที่มีเม็ดเลือดขาวนี่มาอยู่นะทำความรู้สึกให้เหมือนกับว่าโดนมีดบาดจริงๆเชื่อไหมคะว่าเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในหลอดเลือดน มันวิ่งมาอยู่ตรงใกล้ๆกับแผลที่ที่เข้าจินตนาการว่าเขาเกิดแผลจริงๆนะคะนะอันนี้เขาก็เลยเชื่อเรเลยว่าถ้าเราคิดอย่างไรเราสร้างจิตเป็นอย่างไรมันจะมีผลต่อพวกเม็ดเลือดขาวสารต่างๆภายในร่างกายของพวกเราอย่างเช่นไม่ต้องพิสูจน์ในแง่ของวิทยาศาสตร์หรืในห้องทดลองขนาดนั้นสังเกต ด, ดูถ้าเราเครียดเมื่อไหร่สังเกตไหมคะตัวเรานี่จะร้อนนะแต่เพราอาหารนี่มันจะแสบเลย คุยกับคนที่เราถูกใจนะชาวบ้านบางคนถูกหวยอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดปิติยินดีขึ้นมาเลยมันจะสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังความคิดและพลังจิตมันมีผลต่อสารต่างๆในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยนําจิตได้สํานึกนมารักษาโรคนะคะนะแล้วเขายังบอกอีกว่า ถ้าเราคิดดีกับตัวเราเราก็จะได้สิ่งดีถ้าเราคิดไม่ดีกับตัวเราหรือกับคนอื่นเราก็จะได้ได้สิ่งไม่ดีเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับสารต่างๆในร่างกายของพวกเรายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่ามะเร็งตับอยู่อยู่ได้สามเดือนนะเขารับข้อมูลมาหมดเลย จิตใต้สำนึกตัวนี้จะแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นเป็นของดีหรือของไม่ดีเขาจะรับมาหมดเลยโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เขาฟังด้วยจิตที่มีสมาธิตอนนี้จะรับข้อมูลมาเร็วมากนะสมมุติคุณหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายคนไข้จะตายเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตใต้สำนึกตัวนี้จะรับข้อมูลปั๊บนะพอจิตใต้สำนึกตัวนี้รับข้อมูลปั๊บเขาจะสั่งให้ตับผลิตสารมาทำลายตัวเอง นะมะเร็งตับเนี่ยจะตายภายใน3าเดือนจิตตัวนี้จะรีบทํางานเลยนะรีบทํางานแบบอัตมัติเหมือนกับเวลาเราคิดไม่ดีกับใครแล้วเราตัวเราไม่สบายเช่นเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตเร็วนะหรือมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรเพราะว่าจิตตัวนี้ทํางานแล้วไปสั่งให้อวัยวะที่มีปัญหาตัวนั้นทํางานแย่ลงหรือคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมก็เหมือนกันนะถ้าคุณหมอบอกว่า ไม่หายหรอกนะจิตตัวนี้จะรับข้อมูลไปเลยพอรับข้อมูลเสร็จเขาก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมให้มะเร็งบริเวณเต้านมเนี่ยไม่หายไม่ฝ่อไปได้วที่อยู่ประมาณนั้นแหละไม่อยู่ประมาณนั้นแล้วก็มีแนวนมมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆก้อนมันจะขยา ย, ยขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะรักษาโรคให้หาย หรือวิธีที่ไม่ต้องการให้ตัวเองทรมานเราจะทําอย่างไรนะคะและยังมีตัวอย่างคนไข้อีกหลายหลายคนนะคะที่สามารถรักษาโรคได้โดยใช้จิตใต้สํานึกนะคะนะวิธีที่จะรักษาหรือจะให้โรคหายไปเขาทําอย่างไรเขาจะดึงจิตตัวนี้ออกมาใช้นะคะเขาจะดึงออกมาตอนไหนตื่นตอนที่เรามีสมาธินะตอนที่ก่อนเราจะนอนนะหรือตื่นนอนใหม่ๆนะคะ เขาจะใช้เทคนิคอะไรในการสั่งจิตตัวเองเขาเรียกฮิปโนเทอร์ปีเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของแพทย์ทางเลือกที่นํามาใช้ในประเทศไทยตอนนี้นะคะแต่ว่าเวลาไปรักษากับอาจารย์นี่แพงนะครั้งละสี่พันอันนี้คือประมาณสองสามปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เพราะตอนนั้นตัวเองไปเรียนกับอาจารย์นะเรียนมันจะมีอยู่สามระดับไปเรียนระดับ Ad ็กซ์วคือระดับสุดท้ายนี่ต้องไปเรียนของจริงเลยนะไปเรียนที่เมืองการไปเข้าค่ายเรียนเลยนะ เจอความมิหคจัรทร์ของจิตที่มากแล้วจานท์ก็ถ่ายทอดวิชาฮิปโนเทราปี no y, คือดึงจิตของตัวเองมารักษาโรคตอนแรกตัวเองนีไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าไปเรียนอย่างนั้นงั้นแหละคือเพื่อนชวนไปและอยากรู้ว่าเรื่องจิตมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะตะวันตกไม่ไม่ค่อยเชื่อคือเป็นคนชาวพุทธก็จริงแต่ก่อนไม่ค่อยใกล้ชิดศาสนาจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียนแล้วก็วิทยาศาสตร์น่าจะไม่ค่อยเชื่อตรงนี้ มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาส ร, รักษาคนไข้นะถ้าแต่ถ้าขอบคุณมากค่ะคนไข้คนนี้นี่เขาเป็นคนเขาจบธรรมศาสตร์นะเป็นคนหน้าตาดีทำไมถึงพูดในเรื่องของการศาึกษาแล้วก็หน้าตาแล้วก็ฐานะทางสังคมเพราะว่าคนกลุ่มนี้นี่อัตราตัวตนค่อนข้างจะเยอะนะ เขาเรียก power ในตัวค่อนข้างจะเยอะนะแล้วมันเกี่ยวยังไงากับการรักษาแต่เขาเนี่ยเป็นดารานะแต่บังเกินเขามารู้จักเราเพราะว่าหลังของเขาที่มาปฏิบัติทำสายอสูรนะคะเขาป่วยด้วยโรคกล้างเนื้อหัวใจมันเกร็งแล้วมันไม่คลายอ่ะปกติหัวใจของคนเนี่ยมันจะมีการบีบแล้วคลายใช่ไหมคะเพื่อปั๊มเลือดเปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ขอเขาที่แปลกคือบีบ มันทายนิดเดียวมันไม่ทายออกหมดอ่ะมันจะเกรงอย่างเงี้ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องหอบนะเหนื่อยและตะตัวบวมเขาบอกว่ามีวิธีการอย่างเดียวที่จะรักษาเขาได้คือส่งไปผ่าตัดทิมเมืองนอกเขารักษาที่โรงพยาบาลมิชูเสีออยมในกรุงเทพทีนี้เขาไม่มีทางรักษาแล้วเขาก็เลยจะมารักษาทางแพทย์ิถีพุทธนะ เขามาโทรมาหาปกติถ้าคนไข้จะมาหาเนี่ยตัวเองจะต้องสักประวัติก่อนแม้ถ้ารู้ว่าเป็นโรคหัวใจตัวเองไม่รับเพราะว่าตัวเองจะกลัวโรคหัวใจแต่เดียนี้ไม่กลัวสมัยก่อนจะกลัวโรคหัวใจเพราะว่าแหละตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีคนไข้โรคหัวใจตายต่อหน้าต่อตานะนั่งคุยกับคนไข้ดีๆจะกลับบ้านคนไข้ มาแจ้งวายตายต่อหน้าต่อตาเราเลยกลัวนะพอคนไข้คนนี้โทรมาบอกว่าจะมาเรากำลังจะถามว่าเป็นอะไรโทรศัพท์นี่โดนตัดไปเลยติดต่อกันไม่ได้แล้วก็เอ๊ะเป็นอะไรทําไมเราไม่รู้จัดประวัติคนไข้ยอย่างนี้เนาะพอตกเย็นมาุ่ำหนึ่งคนไข้ามาถึงประตูหน้าบ้านทั้งหอบทั้งเขียวนะตัวนี้วมเลย เราตกใจเลยถ้ารู้อย่างนี้ยเราไม่รับแน่นอนถ้ารู้ตอนที่โทรศัพท์ติดต่อกันได้เราจะไม่รับคนไข้คนนี้เพราะว่าหอบไม่รู้จะหยุดหายใจเมื่อไหร่และบ้านพักของเราก็อยู่ในเขตโรงพยาบาลด้วยแม้เกิดคนไข้าตายที่บ้านพักแต่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่ใช่ไหมคะร็จแล้วพอคนไข้ามาเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะอันดับแรกก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวไหนๆก็มาและจะไล่กลับจนงคืนนี้ก็สงสารเขาเพราะว่าเขามา เราจะเริ่มรักษากันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ต้องหาที่พักที่พักก็ไม่มีเพราะว่าเข้ามาจัดไกร น, นะคะเราก็เลยให้พักด้วยก็แก้ภาวะหอบได้นิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าอยา่าสงสารคนไข้อย่าไม่กล้าให้ไปพักที่คือกลัวเขานอกก่อนมันคือโรงพยาบาลนี้เขาก็อยากเข้าพอเขาเข้าทีไรนเขาต้องเข้าไอซียูเขาต้องให้ออกซิเจนเขาต้องให้น้ําเกลือเขาต้องใส่สายปัสสาวะ มันรุงรนะังคนไข้ไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มานานนะับเป็นคนไข้เรือรังนะคะพออยู่กับเราไปทั้งคืนหมอไม่ได้นอนเลยเพราะคนไข้หอนนะอุ้ยทำยังไงเจออีกคนนึงแล้วที่ทําให้หมอไม่ได้นอนนะคะตื่นเช้ามาตีสี่คนไข้ร่มแย่กระสับกระส่ายมากอุ้ยเรากลัวคนไข้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักมาก เ, เราทําไงอะบอกไปโรงพยาบาลชียภูมิไหม ทางญาติเขาก็แล้วไม่ไว้ใจเรานะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนกระต๊อบกระต่อย อ, อยู่ในบ้านพักเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดคลินิกอะไรอ่ะแต่ว่าเราช่วยญาติที่ทำตอนนั้นนะว่าไข้ไม่หอบแล้วกมือเท้าเย็นทำยังไงตายแน่นะเจะแล้วบอกไปโรงพยาบาลเชยาภูมินะเขาก็ไปนะก่อนที่จะไปเนี่ยบ้งเลยว่าเราดีท็อกให้เขาเพราะว่าเขาถ่ายไม่ออกนะพอไปจะขึ้นโอพีดีเออห้องฉุกเ ฉ, ฉินโรงพยาบาลเชยาภูมิ คนไข้ถ่ายออกแล้วดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วโทราศัพท์มาหาเราบอกไม่ขอไปโรงพยาบาขอกลับไปหาหมอต่อได้ไหมอ่ะเราบอกห้อแล้วดีขึ้นนี่ยังอ่ะเพราะดีขึ้นแล้วท้องก็อืดลดลงแล้วก็ไม่ค่อยหอบพอกลับมาหาเราปั๊กนะแต่แต่บอกเออบอกท่านลืมบอกท่านนิดหนึ่งคือคนไข้คนนี้เขาปฏิบัติธรรมนะ เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องจิตเราจะมองข้ามคนปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาปฏิบัติสมาธิมาดีแล้วก็คิดว่าจิตของเขานม่เข้มแข็งพอนะเสร็จแล้วมารักษากับเราเราบอกว่าคุณอยู่ได้แค่ห้าวันนะั้นถ้าจะอยู่กับหมอเนี่ยเพราะว่าอะไร ถ้าอยู่เกินเนี่ยหมอถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่เลยนั้นยังไงคุณก็ต้องออกจากบ้านหมอไปแหละยังไงหมอก็ขอไว้ก่อนห้าวันนี้ก็วัดดวงกันแหละว่าจะเอาคนไข้คนเนี้หยุดหอดได้ไหมลดบวมได้ไหมนะตัวเองทําทุกวิถีทางวันที่ห้าคนไข้ดีขึ้นแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าคนไข้ดีเป็นลําดับลําดับแต่คนไข้บอกหมอไม่ได้บอกหมอว่านอนไม่ได้ ผมเป็นอย่างนี้แหละผมนอนไม่ได้ทั้งคืนเรารักษาคนไขตนนน้ตอนกลางวันตอนกลางคืนเราต้องเป็นยา ม, มาเฝ้าคนไข้ว่าคนไข้นี่โกหกเราไหมหรือว่าเขานอนไม่ได้จริงลงมาทีไรคนไข่นอนได้ทุกทีแต่คนไข้บอกหมอว่านอนไม่ได้เราไม่รู้นเกิดอะไรขึ้นเพราะวันสุดท้ายที่เรารักษาเสร็จหายใจก็ปกติเราใช้ทุกวิชาเลยนะความดันก็ปกติฉี่ได้เป็นปกติบวมยุบลง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไข้บอกว่าตัวเองไม่ดีขึ้นหมอแอบ ม, มาดูตอนคืนคนไข้นอนได้ตลอดหมอสิไม่ได้นอนเพราะหมอต้องมาเป็นยามเฝ้าคนไข้นะนอนเหนื่อมากเลยความจังนี้วิ่งเดือดยังไงหมดวิชาแนละ้วตัวองก็อ๋อเหลือวิชาหนึ่งที่เราไม่ได้รักษาเขาคือเรื่องจิตเรามองข้ามตรงที่เขาว่าเขานะ่ะปฏิบัติทํา นั่งสมาธิมานานแล้วก็เคยเป็นทนายความเป็นนักกีฬาบาสหมอเขาจิตใจก็ต้องเข้มแข็งนี่ตีขุมไปนะเขาทำยังไงเนี่ยแล้วก็จะรักษาแบบจิตได้ยังไงก็เลยมองวิเคราะห์อ๋อคนไข้คนนี้เสียศักยภาพความเป็นผู้นำแต่ก่อนนี้เคยทำงานเป็นระดับผู้นำพอมาเจ็บป่วยได้โรคร้ายแรงนี่การนักถือถูกลดลงความเป็นผู้นาในครอบครัวถูกยิบไปหมดเลย เป็นแค่ผู้อาศัยแล้วก็เป็นพานลในครอบครัวเป็นคนที้คนอื่นจะต้องมาพยุงดูแลตลอดทําให้จิตตรงนี้มันหายไปจิตที่มีความแข้งแข็งมันหายไปแต่ได้จิตที่อ่อนแอกลับมาแล้วย่าที่มาดูแลคนไข้นะ่ะเวลาคนไข้เป็นอะไรนะี่ย่าจะเป็นไปกับคนไข้เลยถ้าคนไข้บอกว่าเวียนหัวย่าก็จะเวียนหัวไปกับคนไข้เหมือนกับส่งเสริมให้อาการคนไข้แย่ขึ้นเราบอกต้ทําทอยังไงตัวเองก็เลยบอกว่า ชักตะบี่เล่มสุดท้ายอ่ปัญหาาโรคเพราะว่ามหมดวิชาแล้วไม่ ร, รูรร้จะ live ใช like ้อะไรก็เลยเชิญญาตินี่มาขูยแยกญาตออกจากคนไข้ยังไงเคยเล่นละครกับหมอ่ได้ไหมคือหมอเขาไม่มีวิชาไหนจะรักษาต่อแล้วล่ะเอาพูดกันแบบเปิดอกเลยนะเพราะว่าอยู่กับหมอห้าวันนี่คือต้องปิดหล่ะยังไงก็ต้องออกไม่งั้นหมอถูกตั้งคดีกรรมการสอบสวนเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าคนไข้เป็นอะไรมาคุณอย่าเพึ่งไปโอบคนไข้ได้ไหม ขอให้ดูและสร้างความมั่นใจกับคนไข้ได้ไหมสมมติเขาบอกว่าเวียนหัวคุณก็บอกว่าอดูท่าทางเนี่ยคุณไม่ได้เวียนเหมือนวันแรกที่มาหาหมอนะคุณดีขึ้นทุกวันช่วยหมอได้ไหมช่วยพูดแค่นี้แหละหมอก็เชิญญาต์ะข้ามาคุยแล้วทำไมเราถึงต้องคุยแบบนี้กันไข้เพราะาเราจะเรียกพลังจิตของคนไข้ขึ้นมานะญ า, นะาญาติต้อโอเคนะโทรหมอโทรไปหายาที่อยู่บ้านที่โทรศัพท์มาถามอาการเป็นประจา อาจช่วยเล่นละครให้ได้ ไ, ได้ไหมเวลาคุณโทรมาหาคนไขนะ้น่ะเวลาเสียงเข้าส่งไปหาคุณให้คุณโชมเข้าไหนได้ไหมว่าเสียงคุณชัดขึ้นเวลาคุยกันเนี่ยเสียงคุณมีพลังมากกว่าเดิมไม่เหมือนวันแรกที่มาหาหมอสแสดงว่าคุณนี่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยขนาดแค่ฟังโทรศัพท์ยังสแสดงได้เลยว่าคุณนี่ดีขึ้นถ้าไม่เห็นตัวจริงนี่จะขนาดไหน ช่วยดูแแบบนี้ให้หมอได้ไหม่าตยญาตก็โอเคคนเฝ้าก็โอเคทุกคนเล่นละครด้วยกันเหลือหม อ, อทีนี้หมอจะทํำยังไงเนาะวันสุดท้ายที่คนไข้ต้องกลับบ้านลงทุนพาคนไข้จัดแกง้งคอเอารถตัวเองแต่เตงคนไข้จัดแก้งคอไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวไปกับสองรสี่สกิโลหมอไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วขับรถพาคนไข้ไปอีกเหนื่อยก็เหนืพต้องคุยกับคนไข้ตลอดที่อยู่รถ สร้างความมั่นใจให้เขาเวลาเขาเป็นอะไรหมอจะไม่โอไม่ประครับประคองจะมองติดใจเหมือนทุกเรากําลังมองท่านอยู่แบบนี้แหละเขาอยากท่านเรียพลังจิตที่เข้มแข็งหมอก็มองผ่านกระจกด้านหน้าเลลวลาขับรถพอเขาเบียดหัวปั๊บสมัยก่อนวันแรกที่เจอเขาเป็นญาตจจิประคองนะหมอเขาจะเป็นแบบตกใจเพราะตอนแรกนี่ประเมินจิตคนไข้พิพอเขาไม่สบายหมอก็จะมอง แอบแอบดูพอเราไม่สนใจคนไข้กับดีขึ้นพอยราไม่สนใจคนไข้กับดีขึ้นพอไปถึงตุ่งดอกกระเจียวปั๊บเราให้คนไข้ยิ้วของช่วยแหละพราเราประเมินสภาว่าร่างกายแล้วคนไข้ดีหมดอะ่ะทิ้วได้แค่นั้นคือเอาแค่นั้นยิ้วขวดน้ำได้ขวดนึงก็คือเอาแค่นั้นดึงศักยภาพคุณค่าคนไข้ขึ้นมา พอลงจากรถเสร็จปูเสือคุยกันเลยตั้งแต่นั่งรถมาจนถึงทุ่งดอกประเจียวคุณเหมือนคนปกติเลยไม่มีอะไรที่ผิดจากคนปกติเหลืออย่างเดียวที่จะทําให้คุณหายคือดึงจิตขึ้นมาดึงจิตความเป็นผู้นำของคุณขึ้นมาดึงจิตความที่สิ่งที่คุณเคย ห, หมดหายไปขึ้นมาความเป็นพ่อดึงขึ้นมาความเป็นสามีดึงขึ้นมาคุยกันอยู่วันหนึ่งข้ามกลับบ้านในระหว่างทางที่กับแกนคอ นะไปเจอร้านเนื้อแย่นะเขาบอกว่าหมอหมอผมยังส่งหมอได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับนไหมคะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามในเรื่องจิตเพราะเราปลดปล่อยจิตให้ถูกที่แค่แนะนําให้คนไข้ดึงจิตตัวนี้ขึ้นมาแทนที่ว่าจะให้จิตตัวเดิมทิ่ฝังลงไปคือจิตที่อ่อนแอเนี่ยนะให้มันขึ้นมาแล้วให้ตัวนี้มันออกไปแล้วดึงตัวเองดึงจิตที่อยู่ในตัวเราทิ่เคยเป็นในอดีตนีขึ้นมาคนไข้กลับบ้านได้เอง จากสองสัมมันที่แล้วบอกไม่ดีไม่ดีอะไรผมก็ไม่ดีเพราะว่าจิตตัวเดิมที่เขาไปติดกับโรคที่เขาเคยเป็นเมื่อสองปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความมหัศจรรย์ของจิตตั้งแต่นั้นเป็นตัวมาตัวเองนี่ชาัามากนะแต่รักษาคนไข้แต่ละคนถ้าไม่เคลียร์เรื่องจิตก่อนเนียตัวเองจะรักษาไม่ประสบผลสําเร็จแม้กระทั่งคนไข้มะเร็งตับ ก, ก็เหมือนกันเวลามาหาที่ที่บ้านเนี่ยแต่ละคนมาด้วยเรื่องของความหดหู พราะาเขาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าโอกาสรอด50 50จิตใต้สำนึกนี่จะรับข้อมูลมาหมดเลยนะอย่ า, างคนไข้คนนี้ยอยู่ภูเขียวนะเป็นมะเร็งตับวันแรกที่เจอกันนี่หน้าเราแทบจะไม่มองเพราะเขาคิดว่าเราจะพูดเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลว่า50 50โอกาสรอดนี่น้อยส่วนใหญ่เขาจะรอคําพูดแบบนี้เราก็แปลกใจนะ ส่วนใหญ่คุณมองแผนปัจจุบันจะชอบกำหนดชะตาชีวิตคนไข้ก<ม> <hell. S 2> ็ยังว่าแหละเรียนมาไม่เหมือนกันนะเขาอาจจะบอกว่าทําให้คนไข้ได้มีโอกาสเคลียร์มรดกนะแบ่งมรดกนะใหญาติพี่น้องแต่ว่าเขาลืมนึกถึงในเรื่องของการไปเกิดพบหน้าชาติหน้านะเ<ๆ>ขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในะเรื่องของพุทธศาสานาที่มากกว่านั้นพุทธศาสานาเกาเชื่อในเรื่องจิตก่อนตายนะคะจิตที่สงบกินได้กำไรนะคะนะอย่างคนนี้มีกลัวนะ พอมาหาหมอเสร็จหมอประเมินเรื่องจิตใจเลยเพราะว่าเคยได้บทเรียนจากคนไข้คนนะั้นทําให้เราเหนื่อยอยู่ตั้งห้าวันนะพอประเมินเรื่องจิตปักรู้เลยว่าจิตคนไข้ตกพอจิตตกต้องรีบแก้เรื่องจิตเลยถ้าจิตไม่ฟื้น่ทุกอย่างนี้จะฟื้นช้ามากถ้าคนไหนยิ่งกลัวกลัวจนตัวสัน่นเคยได้ยินไหมฮะกลัวจนช็อกเคยได้ยินไหมคะก ล, ลัวจนหัวใจวาย กลัวจนมือเท้าเย็นเคยได้ยินไหมคะเพราะมันเกี่ยวกับสารต่างๆภายในร่างกายของพวกเรามันจะหลั่งออกมาเวลาเรากลัวท่านกลัวโรคที่ท่านเป็นท่านกลัวปัญหาที่ท่านเป็นท่านไม่รอดแน่นะเพราะความกลัวเนี่ยไม่เหมือนความโกรธกลัวนี่ส่วนใหญ่มันจะถดถอยลงไปหมดเลยทุกอย่างเนี่ยจะดาวลงไปหมดเลยโกรธนี่มันยังก่อสู้ได้นะโกรธจนตัวสั่นโกรจนหน้ามืด ฟันมนไปนเลยแบไม่รู้เรื่องโกรธให้ยังสู้ยังมากกวกลัวถ้าเรากลัวโรคที่เราเป็นกังวลในสิ่งที่เราเป็นไปไม่รอดส่วนใหญจะไปได้คราวหนึ่งจิตตัวนั้นมันจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะทําให้สารต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมาทํำลายเรานะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของการนําจิตมารักษาโรคนะคะเขานํามาใช้ตอนที่เรา เกิดสมาธิไม่จำเป็นจะต้องเป็นก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนท่านนั่งอยู่ตรงนี้หรือทำอะไรก็ตามท่านมีสมาธิท่านดึงจิตใต้สำนึกตัวนั้นขึ้นมาใช้ได้เลยเขาจะเอามาใช้อย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับพวกเราว่าฝึกสมาธิมาระดับไหนนะคะถ้าฝึกไม่เยอะนะก็ทำซ้ำๆๆๆคือตีกระหนำ่ำจิตใต้สำนึกตัวนี้ให้รับข้อมูลบ่อยๆนะคะให้บอกตัวเองว่า เวลาสมมติจิจเราเริ่มมีสมาธิเรากำลังเทิมนะคะ ให้บอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากโรคที่ตัวเองเป็นอยู่บอกทุกวันทุกวันเช้าก็บอกเย็นก็บอกบอกซ้ำๆพอบอกซ้ำๆปับ๊บจิตตัวนี้ก็จะรับข้อมูลเลยค่ะจิตใต้สำนึกตัวเนี้ยเวลาตัวเองรักษาคนไข้ก็เหมือนกันนะอย่าคนไข้เดินมาหาเนี่ยการสั่งจิตปบำบัดมันจะมีอยู่2แบบคือทําให้คนไข้นอนหลับไปเัดเองก็ใช้หรือคุยกันอย่างนี้ก็ใช้เขาเรียก conversation ที่ดี แต่มันจะมีเทคนิคนะคะทีนี้นเนี่ยตัวเราจะสั่งตัวเราถ้าคนไหนมีสมาธิมากกว่านั้นทําอย่างไรเขาจะใช้วิชาจินตนาการมองให้ไปถึงอวัยวะที่มันมีปัญหาเลยถ้าเป็นมะเร็งที่เต้านมเขาจะให้จินตนาการไปถึงก้อนมะเร็งเพื่ออาจิตไปรวมไว้ที่ก้อนมะเร็ง น, นะคะแล้วบอกสมอ ว, ว่าตัวเองนี้หายจากโรคอะเร็แล้วให้มองภาพตัวมะเร็งตัวนั้นก้อนมะเร็งตัวนั้นให้มันสลายออกไปนะคะ พยายามมองบ่อยๆมองบ่อยๆคือใช้จินตนาการที่เกิดประโยชน์